ทำนะฟังทรรมจาได้ยินได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งเคยได้ยินได้ฟังแล้วได้ฟังอยู่เรื่อยๆกว่าจะเข้าใจ้วสิ่งที่ยังไม่เข้าใจบานเข้าความงสงสัยจะได้ต้อฟังธอรม ยีตของผู้ผ่องธรรมย่อมผ่องใสแล้วทำความเห็นให้ถูกต้องกับการเชาชีวิตตัวเองตลอดไปจึงจำเป็นต้องได้กินได้ฟังผู้ที่บอกความเท็จความจริงของหูว้หู ฟังแล้วก็จะไปเชื่อบางบางอย่างต้องไปทำดูก่อนการฟังทำไม่ใช่ไม่ใช่ฟังเพื่อจะเชื่อฟังแล้วไ้ทำดูพบเขี่ยวดูผิดถูกต้องสัมผัสตัวเองสิ่งที่ผิดที่ถูกเกิดจากการจากใจเรา ตอนนี้เรออาวางทำก็ไปทำไม่ใช่ไปจาเอามืนกระจาก่อนหลังก่อนเพลงว่าได้แต่ปากได้แต่การสวดสาธยายพระสวดสวดมนต์ธทรมวัดเช่าทรมรมพจเกณนแลวก็หมายถึงมองตนเตือนตนเห็นตัวเองว่าลูปไม่เที่ยง นี่ไม่ใช่เชื่อเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงรูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสึงใดไมาเที่ยงสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์ไปควรยึดว่าตัวเราว่าของเราว่าตัวถตนของเรานี่คือปังธอมจบก็สูตร พูดแล้วก็ทำในใจไปด้วยอย่าระยืดว่าความโกรธเป็นตัวเป็นตนอย่าระยึดว่าความล็อกความเกลียดชังเป็นตัวเป็นตนอย่าทำตามมันมันเกิดขึ้นมาเป็นสังขารสมุทยัยมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวตวนอะไรอย่าระยืดเวลามันล็อกก็ทำตามความล็อกเวลามันโกรธก็ทำตามความโกรธเสียผู้เสียคนมามากแล้ว แล้วก็เกิดขึ้นในงในการในใจเหล่านี้กายของใจของเรานี่แบบต่อออนอื่นมาไปจุ่มไปติดอะไรมามากมายหลายอย่างในโลกนี้ต้องเป็นทุกข์เป็นโทษต้องเป็นประโยชน์ก็มีการชีวิตก็ใช่การใช้ใจไม่ถูกไม่ต้องต่อเปีตาปะลุกสุกซน จิตก็จิตชุกสนกายก็ชุกสนไปติดของที่ไม่ดีไม่ถูกไม่ต้องแลเป็นทุกข์เป็นโทษต่อคอยตัวใจก็มีมากเพราะไม่ได้ดูตัวเองไม่ได้เห็นตัวเองไม่แช่ขยไม่เตือนตนไม่แช่ขยตนไม่มีสติพระเจ้าบอกว่าให้แช่ขตัวเองให้เตือนตัวเอง ให้มีสติสติเป็น่วงตาภายในมีสติดูแลกายดูแลใจกบเหมือนลูกน้อยมีพ่อมีแม่แต่ลูกคนใดมีพ่อมีแม่ก็เรียกว่าปลอดภยัย ลูกอะไรก็ตามลูกหมูลูกหมาลูกเป็ดลูกไก่ถ้ามีพ่อมีแม่เลี้ยงดูก็ปลอดภัยล้วเกียบถ้าไม่มีผู้เลี้ยงผู้ดูมันก็มีธรรมชาติมีพ่อแม่หมาก็ลักลูกเหมันหมูก็ลักลูกมันไก่ก็มันก็ลักลูกมันนี่ไก่ปล า, าวัดสุกตู เยู่ไม่ชอบยวจนลูกนันจินแล้วจินเล่าเออลูกมึกกบก็เป็นปีกก็จะอยู่อย่างนั้นไม่ได้ต้องพาลูกหาจนเวลาใดพาลูกหาจช้นลงไปเกีเ่ยวก็มชบกินมันบินตามลูกเปนหลายเี่ยวม่ชบจ้นมันก็บินตามเดี่ยวไปตกล้มหัวขาดใจตายเลยแม่ไก่ แล้วก็ลากรกมันเหมือนกันจนหมดอกแล้วก็มีความหลอกเหมือนกันเราก็เชื่นกันเกิดมาได้มีชีวิตอยู่นี่เพราะมีผู้ดูเลยมาดูดนมนมจากหน้าอกของของแม่แล้วก็เรื่องดูด้วยความปลอดภัย ดูเจ้าเปรียบเทียบสตินี้เหมือนพ่อเหมือนแม่ผู้ดใดมีสติก็เหมือนกับอยู่กับพ่อกับแม่เคยพูดแล้วพูดอีกว่ามันเป็นความจริงจริงๆริถ้าไม่มีสติก็เหมือนกับคนกำพ่ากำคอยทุกข์ก็ทุกข์ไปเลยโกรธก็โกรธไปเลยหลงก็หลงไปเลย คนไม่มีพ่อไม่มแม่ทางจิตปัน ญ, ญาเรามีสติดดจเจ อ, อเห็นเห็นมันโกรธเห็นแล้วอันตัวโกรธไ ม, ม่ประโยชน์เลยเห็นในตัวหลงไม่มีประโยชน์เลยเลยเห็นแล้วหวนทุกข์ไม่มีประโยชน์เลยแล้วก็มีสตินีทุกข์เป็นในความทุกข์มันก็มีความไม่ทุกข์ มันมีทางไปอยู่ในความโกรธก็มีความไม่โกรธในความหลงก็มีความไม่หลงมันเป็นทางสองทางเราเลือกได้มีสติเราลุกจากเลือกได้เหกืนอนคนมีตาเขาลุจากเลือกเดินแต่ถูกทางเข้าลุกโค้งไม่ได้เวลาตาเห็นงูก็ไม่ให้ไปงูกัดไม่มีใครเดินเข้าไปหางูให้งูกัด นไหนนี่มีสติเห็นความโกรธความทุกข์เกิดขึ้นที่กาที่ใจก็ไม่ให้ความทุกข์ความโกรธมาเจ็บปวดทำไมเจ็บปวดถ้าเรามีสติถ้าไม่มีสติก็เจ็บปวดเจ็บปวดเพราะความคิดตัวเองความคิดก็เจ็บปวดร้องไห้ได้เพราะไม่มีสติ จ, จึงจาเป็นต้องมีสติ อย่าประมาทเพราะว่ากายใจมันลุยอยู่ในในดงของความหลงความดงเป็นดงเป็นป่าอาวิชชาเป็นป่าความไม่รู้ก็ใครมีความไม่รู้ผิดตู้ถูกยองทำตามความผิดยังทำตามความถูกยังทำตามความรักความชังหรือว่าอยู่ในดงในป่าอาวิชชาเป็นป่า ป่าในชีวิตเราไงเพราะในป่ามันกับปูหลงไงมันมีสิ่งที่เราล่าอยู่ที่นี่ถ้าไม่มีวิชาคือความรู้มีสติแล้วลก็มีแต่สิ่งล่าอยู่ในนี้ในความไม่รู้นี่เพราะไม่รู้เพราะไม่รู้จึงเกิดสังขารปวงตังสังขารเกิดปวงตังก็มาก็มีวิญญาณ ตาก็มีวิญญาณหูก็มีวิญญาณจมูกลื่นกายใจมีวิญญาณไปเปื้อไปเพื่อนอะไรบ้างซุกสนวิญญาณเหมือนดิงอยู่นิ่งไม่เป็นหยิบโน่นหยิบนี่วิญญาณที่มันเกิดกับกายก็จะมันสุกสนไปเพื่อนอะไรบ้างไปติดอะไรมาเกิดวิญญาณเกิดนามรูปเป็นนามมรูปกันมาทำได้ เจ็บปวดเป็นโุกเป็นทุกข์อะไรต่้งๆเนี่มันต่อไปจนเป็นพบเป็นชาติเปนโน่นเพราะไม่รู้ก็มีความรู้มีสติแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นดูแลได้ปลอดภัยมาได้เป็นดีสิ่งที่มันเกิดกับกาจารย์นี้เปลี่ยนให้เป็นดีได้ทั้งหมดเปลี่ยนให้ไม่ทุกข์ได้ทั้งหมดเปลี่ยนให้ไม่ผิดได้ทั้งหมด มันเป็นที่แก่ได้เปลี่ยนได้เวลามันโกรธไม่โกรธก็ได้เวลามันทุกข์ไม่ทุกข์ก็ได้เวลามันหลงไม่หลงก็ได้นั้นเปลี่ยนได้การหัดเปลี่ยนความร้ายเป็นความดีนี่เรียกว่าปฏิบัติธรรมบังเลื่อ ง, งําไปทำดูเรียกว่าสอนให้ไปทําดูมันแก้ได้มันเปลี่ยนได้อย่างพระสวดบงสุขุน อันนี้าวราสังขาลาะอปพัฏนาว้ยธรรมิโยนโไปชิตบาลได้ลดชันติเตสังหมุปฏิวสุขหัวทักบังสุ kul ไดเงินได้ผ้าสาบงจีบอนมาอาจจะไม่ถูกต้องบังสุค u l มันคือบังสุค u l ตัวเองบอก อันเจวสังขาสัขงขารเกิดขึ้นแล้วเนาะเนี่ยมันปุงแล้วเนี่ยอยู่ดีดีมันมาโกรธมาทุกข์ขึ้นมาเนี่ยนอนอยู่ก็มาทุกข์มาคิดคมทุกข์ปุงขึ้นแล้ ว, ว, าามม ว, วหรือเนี่ยปวดท่าว่จะทํำไม่ลงมาคิดว่าตัวว่าตนหรือเนี่ยว่าคิดแต่ว่ า, ารู้เช่นตีแค่ได้แค่ได้เจ่ได้อยู่เปลี่ยนได้อยู่แตสงบูปัจจมุสุขโข เมื่อเปลี่ยนความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์ก็จะอยู่เป็นสุขปกติไม่ใช่ไปสักปังกุลแบบนั่นนะอันนั่นเหมืนเป็นพิธีหลีดองไปษะเป็นเรื่องคนตายเป็นเรื่องของการโงกตัวไาซะที่จริงมันเรื่องของตัวเรานี่ให้บุญสุกุลตัวเองมันจะได้บุญเปลี่ยนความโกรธเป็นความไม่โกรธบุญเกิดขึ้นแล้ว เปล่ยนความทุกขเป็นความมทุกข์กุศลเกิดขึ้นแล้วไม่ใช่พิธีกรรมามาทำมาปฏิบัติกับตัวเอง <c oughs> อย่าประมาะทชีวิตของเราเนี่ยความเจ็ความเจ็บความต่อยนำเข้ามายั่งยืนเอาไปความเจ็บเป็นธรรมดาจะล้มพ้นความเจ็บไม่ได้อันนี้ความเจ็ของสังขารของนาม รูปของนามไม่เช่าความเจ๋อมาเป็นผู้เจ๋อยาวความเจ๋อให้มันไม่เจ๋อมันเป็นเรื่องที่เห็นขวาจริงเราเมื่อได้เป็นผู้เจ๋อเห็นมันเจ๋อไม่ได้เจ๋อเป็นทุกข์แก่ไม่เป็นทุกข์ผอมเจ็บไปเห็นมันเจ็บไม่ได้เจ็บเพ้าะเป็นทุกข์ผมเจ็บมันเจ็บก็ไม่เป็นทุกข์ได้ ไม่ได้ตายเพราะความตายเห็นมันตายไม่ได้ตายเพราะควมตายเป็นทุกข์ควมตายความเจ็บเป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์มีแต่ความทุกข์อย่างเอาแล้วตัดสินแล้วเป็นนักโทษที่ตัดสินประหารแล้วชีวิตของคนถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีธรรมะรอหวันเจ็บวันตาย ไ อ, อเจ็บก็ลองให้คอดตายก็ลองให้คอดตายก็ทุกข์เหลืออยู่ก็ทุกข์ลองผมลองให้เสียใจยถ้าเรามีธรรมะจะได้เห็นสิ่งเหล่านี้ตามความเป็นจริงแต่ความไม่เที่ยงจะเป็นเที่ยงได้อย่างไรรูปนีน ไ, ไม่เที่ยงเวทนะมัก็ไม่เที่ยงที่เป็นสุขเป็นทุกข์นั้นมัไม่เที่ยง สัญญาที่มันจำอะไรมามามก็ไม่เที่ยงความโกรธวังทีก็กลายเป็นความสงสารทีหลังต่เคยตีน้องทั้ ง, งโกรธตกหัวน้องตกลงไปคันานานะเนอะพอเห็นน้องล้มลงไปเกียกข่อมคนในดินคิดสงสารขึ้นมา ทันทีเลยเสียใจมากทุกวันนี้ไอ้นอ้องควายไปกินหญ้าถ่ายหนาเสร็จคำกลัวว่าควายจะไม่กินหญ้าที่ปล่อยนาไม่มีหญ้าแล้วกินเ พ, พราะเพิ่งเดียวก็ยิ่มไอ้น้องไม่เอาปล่อยี่วนเวียนอยู่กับโลไม่มีหญ้ากินด่านอ้องมึงทำไมไม่เอาควายไปกินหญ้าล่ะ ผมกลัวจริงๆกลัวแม่มเนอย่งเราอย่างตีหัวนวดเดี๋ยวใจลอยโอ้ยน้องเราคงจะกลัวยิง่งหนมันื่อยพูน่อยน้องเราไคิดได้ทริงๆน้องก็ลองให้เข้าบ้านเลยไม่รู้เรี่ยงไฟเลยเราต้องไม่ได้ทำนานม่ไงานนาไม่ได้ทำไขนนาไม่ได้ปั้นเลยมันต้องไปเรี่ยงไฟเราไยเข้าว้าน อ๋อผมควายเจิดขึ้นไปบนบ้านไล่ควายเข้าไปคอกหมดแม่ด่าอ่าไม่มีพ่อคบหัวกันกินน้องน้อยๆให้เพิ่งเอานามึงเอาว่าเอาควายหมดซะถ้ามึงไม่รักน้องกูจะพามันหนีกลับบ้านเก่าผูไม่เอากับเพ่งหนุกโว้ยเสียใจมาก มีไหมเสียใจเพราะความตีลูกอย่างนี้ยเวลามืกดตีลูกม่นเลจักน้ำเลเจ็บไม่ว่าไมเลียวขาดก็ร้องไห้โอ้ยโอยวิ่งกดเบียดหลังเบ็ดหลังแม่ก็ยังจับแขนมาตีอ๋อวันตีเราลูกเจ็บลอยไม่เลียวลอยมือเสียใจทีหลัง นอนลองให้เพราะตีลูกมีไหมท่านยมอาจะนั้นนะ่ะวังให้ดีถ้ามีสะตีมันจะยับยั้งยั่งกิจได้ไม่ผลฝันแผ่นแลนไม่ทําผิดทําพลาดได้ถ้ามีสะตินะถ้าไปเที่ยวประเทศ กินไปดูห้วยหลองไปดูห้วยหลองก็เป็นบันไดขึ้นไปบนเขาเรามีผู้หญิงคนหนึ่งลูกอุ้วลูกอยู่คนหนึ่งคนที่สองก็จับเขนดึงขึ้นไปแล้วพ่อก็อุ้วนลูกคนหนึ่งแล้วก็ถือกระเป๋าเพราะเป็นนักท่องเที่ยวหาดูหาอะไรต่งตางๆเหมือนกันเรา ที่นี่เด็กน้อยมันก็ปีนขึ้นไปก็เหนื่อยมันก็ร้องไห้มันก็ร้องไห้เพาะเจ็เหนื่อยนะมันก็ขึ้นไปไปเลยสังเกต ด, ดูแม่ก็ลากขึ้นไปลูกมันก็ร้องไห้มันเหนื่อยมันก็พอลูกน่องลองแมแอ้มมันก็แต่ลูกตกนงไปแล้วหลวงพ่อเดินตามหลังไปพอดีเลยจับเด็กน้องขึ้นมากรอดไว้วันเลยแบบไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่กล้ามาตีอีกกอดเล็กน้อยไป รูปเมื่อรูปผมันกอดมันไแม่มันก็มองก็ลงหออยู่มันไม่กล้ารอนหล่อุดร้องไห้แม่มันก็ใจเย็นลงมาน่นหนึ่งหลพวพ่อก็ปออกไปมันก็จับเอาลูกไปเ <c oughs> ตะ่ายังพอเตะอีกอโอบนเราอะไรมันทำอย่างนั้นทำทาอย่างนั้นเลยเวลามันโกรธไม่มีความสงสารกันเลย เวามันล <Workers>, ักก่อบงตัวต่าจิงใจทาความลักเสียผู้เสียคนเพราะฉะนั้นจงมีสติทุกเมื่อย่าประมาทยอมสงบเราต้องฝึกยอมจึกจึงจะลบได้ถ้าไม่ฝึกหัดอะไรเลยปล่อยใจเพ่งควางอยู่ เลอยจอดมาก็หยิบบ่ก็สุกความทุกขความล้อความสังความดีใจเียใจยิ่งเราก็อยู่ได้อะไรต่างๆมากมายไม่พลอดภยัยโขนเพย์กันหลายชีวิตเราผมร้อยความดีผู้ผูแพ่ๆนะเราจึงต้องฝึกโขนทนเด้งให้ดีๆอย่าได้อย่าได้ความาด แน่นอนไม่เที่ยงแน่นอนเป็นทุกข์แน่นอนไม่ใช่ตัวตนสิ่งที่มันครองกายของใจเรานี่รู้ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ประกงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนประยุดธ์บอว่าเป็นตัวเป็นตน พัดภาคจองของเราของชอบใจก็เป็นทุกข์คมไม่สบายกายคมไม่สบายใจเป็นทุกข์วาตราชินงใดไมื่ได้ชิงนั้นก็เป็นทุกข์เอาเพแต่เอาทุกข์มาลงโทษตัวเองนี่วัดวารามเอาคําสอนพี่เจ้ามาสอนอย่างนี้มาบอกอย่างนี้ ไม่ทุกข์ก็เลยเลยไม่ต้องโกรธก็ได้ในชาตินี่ไม่ต้องทุกข์ก็เลย ไ, ไม่ต้องเบียดเบียนตัวเองให้ตัวเองเป็นทุกข์กันโทษไม่ต้องปีดเบียนคนอื่นให้คนอื่นเป็นทุกข์กันโทษชิงอื่นก็ไม่ทำลายเล ย, เลยอยู่ด้วยกันมีแม่ตาคนมาแม่แต่ที่นี่มีอะไรก็เราจะไม่เบียดเบียนอะไรทั้งนั้นนอนอยู่ก็ตี มีลไยมีหนูแล้วก็ไม่เบียเบียนหนูมันมาเมาื่อก่อนเรานอนอยู่ไม่มีมุกก้งกลางอะไรมานอนอยู่ข้างบนนี่บ่มันหนักตึงกันเนี่ยเราจะเอารุกขึ้นมามามาเห็นมันก็ไม่เห็นไมีห น, หนูยังมาเล่นอยู่ ชอบงอยเรามานอนอยู่คนตกคนขาบนตัวเรามาันก็จะอุ่นอ๋อเราก็จะลักหนูมีอะไรอีกมีอะไรอยู่ในนี่ในในแผ่นดินด น, นี่ที่นี่เราจะมีความลักทุกอย่างมีผีหรือเราจะลักผีมีเปดหรือเราจะลักเปดถ้ามันมาทำเราก็จะมีความลักมันจะไม่รลังเกียรอะไรเลย ว่าจะเป็นยังไงในโลกนี้เราจะอยู่ได้กับทุกอย่างจะไม่บเปลี่ยนอะไรเลยเพราะฉะนั้นในชีวิตของเราจึงไม่ปเปื้อนกับสิ่งที่ชั่วที่เร็วเราก็งมีที่พึ่งได้ถ้ามีหลไรที่ทำให้เป็นควงมกระทุบกระเทือนทั้งจิตใจ เสียใจเพาะทาบาปทำกรรมก็จะเป็นกรรมติดตัวไปเปล่งองโอ้ไม่เราจะตายตายไปก็ไม่กระทุกกระทืนอะไรเคยตายเราไม่เคยทําบาปทากรรมาเลรเอามันมาถึงเท่านี้ก็เท่านี้นะแค่นี้ไนดะ้ะชีวิตเรานอนตาย ตายก่อนตาอตายมันก็ต้องไม่มีทุกข์เลยต้องจะมีเรื่องดีล่ะแล้วเราดีอยู่แล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีลายเดือนร้อนตายไปโอ้มีเทพวดามาจับมือโอ้จึงสบายเออมีเออเทวดาเนี่ยมีจริงเนอะเนีนเม่มาจับมือเนี่ยะ ใช่ไหมโยมเทวดานอนอยู่เทวดามาจับมือเอ้เทวดาไม่จริงเนาะเนี่ยสบายเนี่ยเนาะเทวดามารักษานเนี่ยมันเจับมือมันรู้จักว่ามันชัดเจนดีเอ้เทวดาจริงหรือเนี่ยฮก็เลยเราเป็นอะไรเนี่ยเราเป็นไรใช่เป็นไรนะลรา ลื่ตาขึ้นดูมาดูเงินฉันตุ่มนั่งนอนอยู่อสามตุ่มนอนนั่งอยู่ข้างเตียงเรานอนอยู่วันเตียงจับมืออยู่เราจะตายอยู่แล้วตอนนีนเอเทวดายิงฉันตุ่มเนี่ยถ้าอยู่คนเดียวตัวท่านจะตายนะตอนนั้นก็สบายไปเลยไม่มีเดือนร้อนเลย แก่เจ็บตายก็ไม่เดือดร้อนว่าเราไม่มีการเดือดร้อนอะไรเดี๋ยวนี้ก็ไม่เดือดร้อนอะไรไม่มีเป็นทุกข์มีปัญหาอะไรว mm hmm. ิบริสูติหมดจดเจาะเครื่องส่องหองฝึกุลชนสอนตนอย่าประมาทเอ๊สัตสัตว์หลังพุทธศาสนามันมีมากมียผล มันเป็นบุญเป็นกุศลมันเป็นสวรรค์นิพพานจุดหมายปลาทางของชีวิตเราเพื่อการนี้ว่าใช่เกิดมาเจ็บมาเจ็บมาตายต้องให้เสียใจเป็นทุกข์เป็นชงอยู่นี่โรคแห่งความสุกโรคแห่งความทุกข์มันไม่ปลอดภยัยชีวิตเราทําไม่ฝึกตนสอนตอนก็เป็นคนปนเปกันหลายอยา่างคนนี่ ตเราโลกมาได้เป็นเป็ดก็ได้เป็นสุ่งร่ากายก็ได้เป็นสัตว์ที่ละฉานก็ได้ที่ว่าคนมันปนเปนรวมรอายรวมดีใจเฉยใจไม่คำขวด โ, โลภลงน่อยด้วยว่าคนปนเปนกันมาทีก็เป็นอะไรได้คนมันปนกันคามาปนกันหลายอย่าง ความรยควดีในคิดของเราหนีไม่มั่นใจวิจัยก็ไม่มั่นใจ <c oughs> มั่นใจตัวเองหัวใจไปห้อยไปเขียนด้วยกับไรก็ไม่รู้ <c oughs> เป็นถุกวม ค, คิดเป็นทุกข์เพความคิดเป็นถุกเพกันได้เป็นทุกข์เพการเสียเอะไรมากําหนดจิตใจให้วัตถุอันอื่นมากําหนดใจแต่จริงนั่นที่มันเป็นไป ไม่ตามกำหนดก็เป็นทุกข์อกหังเขียจอยอันรรู้เว่าคนชีวิตของคนผลปรโยชนหนังนัง้นไม่เป็นตัวของตัวไม่ฝึกตนสอนตนคนงไปสู่นรกได้เหมือนกับขนโคมากเท่ากับขนของโคไปสู่สวรรค์นิพพานเท่ากับเขาโคนิดน้อยเท่านั้นเอง ค้ิดประเภทนั้นต้องเป็นมนุษย์ใจสูงขึ้นมาดูอะไรเห็นอย่าหวนไหวง่ายอย่างก็อนแน่นกอนแคนดูจ่ดใดก็อย่าเพึ่งไปด่วนรบอบด่วนปฏิเสธดูหน้าดูหลงังเรียกว่านุษย์ใจมันสูงขึ้นมา ไม่ป้นอะไรง่ายๆนี่ปลอดภัยไปสวรรค์ น, นี่พันเท่ากับเขาเท่ากับขนโคไปนโลกเท่ากับเขาโคนิดหน่อยถ้าเป็นมนุษย์มันเป็นได้ที่ใจมันไม่ใช่เป็นขาสองแขนสองเดินได้ไม่ใช่อย่างนี้มันเป็นจิตวิญญาณที่ฝึกตนศวนตนมาดี ป็ น, นุษย์เป็นได้เพราใจสูงใจมันดีใจมันสด เ, เหมือนหนังยุงมีดีที่เหววขนถ้าคนนันใจต่ําเสียทีที่เกิดบางเอิญ น, นุษย์ได้เพใจสูงเหมือนหนังยุงมีดีที่เหววขนถ้าใจต่ําเป็นห น, น้าจะเพียงคนยอมสียทีที่ตนได้เกิดมา ใจสจะอาดใจสว่างจะสงบถ้ามีครบควรเรียกว่ามนุษย์เพราะพูดถูกทำถูกคิดถูกทุกเวลาเปลนงปีดาคืนวันสุสันกินอะไรว่าไม่ได้ต่อไปไม่ขี้อุดมาต่ออาจารย์พูธธ้ดุท่าสอนธรรมะ <c oughs> านานเกิเดวันด่าบน้าข้างเนึงมาที่ยินได้ฟังเอาไว้ทำในใจฟังเล่าทำในใจเวลามาเกิดเราขึ้นมาก็ทําในใจอย่ามันโกรธอย่าพึงด่วนโกรธอย่าพึ่งพูดในเวลาโกรธอย่าทำอะไรในเวลาโกรธอย่าจ้างสัางกิดดูก่อนอถ้าข่มไว้ไม่พูดในเวลาโกรธอย่ารู้อำนาจองความโกรธ ถ้ามันจะโกรธเอลงหนีออกไปก่อนพันที่อยู่ด้วยกันคนหนึ่งพูดอันหนึ่งคนหนึ่งพู ด, พดสองสามคำก็โกรธกันได้ถ้าลงไปก่อนทิ้งไปก่อนหรือว่าหนีออกไปเลยถ้าเจียงก็หยุดเปลี่ยนท้นที่หักดีพละมุมมืนโกรธไม่โกรธก็ได้ทำใจทำใจท้งใ จ, ถ, ใ จ, ถ, ใจถ้าจะโกรธนบหนึ่ง หายใจเข้ารู้สึกหายใจออกรู้สึกเยอะๆเวินประเดินไปเมวยหาจิตภาคออกไปจะก่อนอดทนสอนตนมันก็จะเก่งขึ้นมายิ่งถ้าเรามาฝึกกรรมฐานนี่ยิ่งดีใหญ่จะได้ใช่เลยมีมีเครื่องมือที่ใช้ได้มีสติยงกะเดีกนิ้วมือรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัว ลำอะารกวดไม่จับไม่กวดไปกวดบ้านรู้จึกตัวไปนู่นมันนั่งคุยกันสองคำสามคำนี้ไม่ได้ออกไปก่อนหนีไปก่อนอย่าไปถือสาหาเรื่องคนที่พิดพูดผิดทำผิดอะไรต่างๆวังไว้ก่อนวังทีมันจะเหลื่อยได้มันเจ้ได้แต่หมายเจ๊หมาเปลี่ยนให้เป็นดีก็ก็จนตอยทุกคนตอยหลงจนตอยถ้าเราแก้เปลี่ยนให้มัน เรู่ช่มันก็ไม่ไ ม, ไม่ไปกายมันก็อ่อนลงอ่อนลงอ ก, กุศลเราวทำคือความโกรธโลภงจะอ่อนลงอ่อนลงก็เกิดกุศลขึ้นมาแทนความดีขึ้นมาแทนสัมผัสความดีความไม่ดีตัวเลือกได้ชีวิตตัวเลือกได้ประเสริฐมนุษย์ประเสริฐเป็นพัฒนาได้เห็นท่องเห็นทางไปไปสวรรค์นิพพานได้เลยจิตของเรานี่ ถ้ากขดถ้าไม่หัดก็มืดแบดด้า น, นรูยที่รูยทางอะไรวันนี้ก็ได้กำหนดตามเวลาสมทานโอโซจินวันหนึ่งคืนหนึ่งก็สมควรพอดีแล้วสมาทานจินต่อไปว่านไปทมาหาจินที่เกียวขี่ข้านสมาทานจิน ก็เอง